ถึงมงคลที่สิบสาการสงเคราะห์ภรรยาคือการเลี้ยงดูภรรยาโดยธรรมความสุขจะเกิดขึ้นในครอบครัวได้มงคลข้อสิบสการงานไม่อากลเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบการงานที่สำคัญคือความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์มงคลที่สิบห้าทานการรู้จักให้เผื่อแผ่แบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นทานนั้นมีสองอย่างคือ การให้วัตถุสิ่งของเรียกว่าอมิสทานแต่ทานที่เลือดกว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วอันจะนำมาซึ่งความสุขและความสิ้นทุกในโลกนี้และโลกหน้าเพราะหมายจะให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปชื่อว่าธรรมทานมงคลข้อส6การดำรงอยู่ในศีลธรรมคนที่มีศีลธรรมนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีมงคลภายในตัว ไม่จําเป็นต้องแสวงหามงคลภายนอกผู้มีมงคลภายในย่อมมีความสุขใจทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าสําหรับผู้ที่มุ่งแต่มงคลภายนอกไม่สนใจมงคลภายในเขายากที่จะได้รับความสุขใจทั้งโลกนี้และโลกหน้าอย่างแท้จริงมงคลข้อ17การสมเคราะห์ญาติคือช่วยเหลือด้วยวัตถุสิ่งของที่พอเหมาะพอควร และแนะนําในสิ่งที่ดีงามเป็นศีลเป็นธรรมก็จัดว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งเหมือนกันมงคลข้อที่สิบแปการงานไม่มีโทษก็คือเป็นกิจกรรมที่เป็นทางสุดจริตทางกายวาจาใจไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนมงคลที่สิเก้าเว้นจากความชั่วคือการงดเว้นจากการทําสิ่งที่เป็นบาปอากุศล พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นมงคลมงคลที่ยี่สิบเว้นจากการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดที่เป็นเหตุของความประมาทเพราะเมื่อเมาแล้วจะขาดสติและจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ง่ายแล้วก็จะประสบกับการติเตียนทั้งในครอบครัวก็จะทะเลาะ ก, กันได้ง่าย และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูกหลานแล้วจะให้ลูกหลานดีได้อย่างไรเมื่อผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกหลานเห็นอยู่เป็นประจำผู้เมาคือผู้ไม่มีมงคลในตัวเองมงคลที่ยี่สิบเอ็ดความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคือผู้มีสติรู้จักผิดชอบชั่วดีและรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมีสติอยู่กับกุศลและไม่ให้อกุศลครอบงาจิต เมื่อกุศลไม่ครอบงามจิตจิตก็ไม่เศร้าหมองเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็จัดว่าเป็นมงคลมงคลข้อที่ยี่สิบสองความเคารพการทําความเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพด้วยจิตดีงามจิตในขณะนั้นย่อมเป็นกุศลมงคลข้อที่ยี่สิบสามความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้มีจิตลดต่ําไม่ลังพองด้วยอัตภาพตามตน การถ่อมตนนั้นเป็นการลดมานะกําจัดความกระด้างของจิตจิตย่อมมีความละเอียดอ่อนละมละไมผ่องแผ้วด้วยความสุขมงคลย่อมเกิดขึ้นในจิตเพราะความสุภาพอ่อนน้อมนั่นเองมงคลที่24ความสันโดษคือความรู้จักพอดีไม่ทะยานอยากจนเกินไปซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสครอบงาได้ง่าย ทั้งเป็นการขัดเกลากิเลส ท, ที่หมักหมมในใจให้น้อยลงก็จัดว่าเป็นมงคลมงคลที่25มีความกะตันยูคือรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านที่เคยมีอุปการะคุณต่อเราถึงมากบ้างน้อยบ้างก็ควรกระทาหรือระลึกถึงและก็แผ่เมตตาให้อยู่เนืองๆก็ชื่อว่ากะตันยูมงคลที่26 การฟังธรรมตามการเพื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยเหตุผลให้บรรเทาความวิตกครอบงามบางอย่างที่เราไม่รู้ก็มีหรือถ้ารู้แล้วก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นการฟังธรรมตามการนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ประสบผลในสิ่งที่ดีงามจนถึงที่สุดแห่งกิเลสได้เมื่อนำมาปฏิบัติให้เหมาะสมมงคลที่ยี่สิบเจ็ดมีความอดทน พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในขันติคือความอดทนนั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งการมีความอดทนเพื่อให้เป็นบุญกุศลหรือความดีเจริญงอกงามยิ่งขึ้นถึงจะลำบากบ้างก็ต้องอดทนเพราะบางอย่างเราตามใจกิเลสจนเคยชินพอมาปฏิบัติทำพบความลำบากนิดหน่อยควรอดทนเอาไว้บ้างมงคลข้อที่ยี่สิบปดเป็นผู้พูดง่ายด้วยเหตุผล เพราะบางคนถึงจะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกด้วยเหตุผลก็ไม่ยอมเชื่อเพราะเอาทิฏฐิมานะของตนเองเป็นที่ตั้งเป็นการปิดกั้นความดีในใจของตนเองแต่ถ้าพูดง่ายด้วยเหตุผลและลดทิฏฐิมานะเสียก็จัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลข้อที่ยี่สิบเก้าการพบเห็นสมณะที่ดีการบำรุงการ ล, ลึกการฟางังการพบนักบวช ผู้ระงับกิเลสผู้ที่อบรมกายวาจาจิตและปัญญาดีแล้วประกอบด้วยความสงบมีจิตของผู้พบเห็นเป็นกุศลก็จัดว่าเป็นมงคลและมีอุปการะมากมงคลที่30การสนทนาธรรมตามการคือควรหาโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในหลักธรรมของความเป็นจริงด้วยเหตุผลในสิ่งที่ดีงามและเรื่องที่จะให้เกิดความเจริญในบุญกุศล เพื่อประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้าและประโยชน์เพื่อพระนิพพานมงคลที่สามเอ็ดมีความเพียนเผากิเลสคือรู้จักบังคับควบคุมกายวาจาใจให้มีความพยายามที่จะเพิ่มภูมกุศลนให้กับตนเองและพยายามต่อสู้กับกิเลสเพื่อให้เหนือกว่ากิเลสในใจตนจะได้ห่างไกลจากกิเลสมงคลข้อที่32ประพฤติพรหมจรรย์ คือรู้จักควบคุมตนเองงดเว้นความประพฤติทางเพศหรือการปฏิบัติตนตามแนวทางมากมีอ์แปดคือสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งเริ่มแรกของพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์นี้จัดว่าเป็นมงคลยิ่งมงคลที่สาสามคืออริยสัจคือเห็นเหตุผลในสุขและทุกข์เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตรือว่าอะไรคือสิ่งที่ควรดำเนินอย่างแท้จริงอะไร คือสิ่งที่ควรละพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้พ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้มงคลข้อที่สามสิบสี่ทำพระนิพพานให้แจ้งการปฏิบัติตามมักมีองค์แปดเศรษสมาธิปัญญาจนถึงวิมุตตคือความหลุดพ้นเป็นการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานพึงทราบว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะเป็นเหตุให้อยู่อย่างเป็นสุขในปัจจุบันมงคลที่สามสิบห้า รับรู้เรื่องโลกธรรมแต่จิตไม่วันไหวหรืออารมณรรมแปดซึ่งมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสุขทุกข์สารเสรินนินทาเกิดแล้วแต่จิตไม่วันไหวหลงตามไปกับสิ่งนั้นๆจิตก็ไม่เดือดร้อนละวางสงบเย็นได้นิจดว่าจิตมีมงคลอยู่ในจิตเองมงคลที่สาสิบจิตไร้เศร้ า, ราคือจิตที่ไม่มีความเศร้าโศก จิตไม่มีความเสียใจมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็สงบเย็นได้เพราะสิ้นอัตตาตัวตนมงคลที่สาสิบเจจิตปราศจากธุลีฝุ่นละอองหรือผงธุลีเข้าตาย่อมนำความเดือดร้อนมาสู่ตาได้แต่ละอองธุลีคือกิเลสมีราคะโทสะโมหะไม่เกิดขึ้นในจิตเสียแล้วความเดือดร้อนคือทุกข์ก็ไม่มีพึงทราบว่าเป็นมงคลยิ่ง มงคลข้อที่สาสิบแดจิตเกษงจิตที่ปลอดโปรง่งจิตที่สงบจิตที่ไม่เร่าร้อนจิตที่มีสภาวะความดับเย็นเป็นมงคลสูงสุดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคาถาว่า เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกระทํามงคลเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่ประชัยในทุกสถานที่ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงนี้คือมงคลของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอุดมมงคลก็คือเหตุนํามาซึ่งความเจริญที่สมบูรณ์สูงสุดที่ผู้ปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้ที่มีมงคลมีความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาว ที่เป็นบุญเป็นกุศลส่งผลให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตก็ควรจะสะสมกระทําซึ่งมงคลสามสบแปดประการนี้ไว้ให้มากให้บริบูรณ์เพราะเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงประทานมอบให้ไว้แก่เราทั้งหลายในมงคลปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านวัตถุมากแต่ความเจริญในด้านจิตใจกลับไม่เจริญขึ้น และกลับจะลดต่ำลงเสียด้วยคนส่วนใหญ่ยังหลงติดอยู่กับวัตถุนิยมและวัตถุมงคลซึ่งก็มีบางกลุ่มและพระบางรูปที่ยังมีความหลงผิดอยู่สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อลาบสการะและชื่อเสียงความจริงวัตถุมงคลที่เป็นรูปเหมือนแทนองค์พระพุทธเจ้าและพระสงค์นั้นถ้าใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกก็จะมีประโยชน์เหมือนกัน กล่าวคือการที่จิตระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าก็จัดว่าเป็นพุทธานุสติและการที่จิตระลึกถึงคุณความดีของพระสงฆ์ก็จัดว่าเป็นสังคานุสติจิตย่อมเป็นกุศลธรรมและทาให้มากเจริญให้มากก็จะเกิดสมาธิขึ้นได้แต่คนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลในยุคนี้มีทั้งเกี่ยวข้องแบบ เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์หรือท่านนำมาบูชาก็บูชาได้ความหลงผิดที่พระพุทธเจ้าไม่สารเสริญแต่มงคลที่ประเสริฐ38ประการที่พระพุทธเจ้าสอนและมอบให้ไว้เพื่อนำมาปฏิบตับติบูชาให้เกิดประโยชน์แท้จริงคนส่วนใหญ่กลับไม่สนใจกันกลับคิดว่าวัตถุมงคลนั้นสามารถดนบันดาลให้ตนได้สิ่งที่ดีๆและมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตัวเองมากๆ แต่ตามหลักพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่ดีงามต่างๆนั้นเป็นผลซึ่งเกิดจากเหตุคือบุญกุศลที่เราทําเอาไว้แต่ถ้าเราไม่สร้างบุญกุศลให้เหมาะสมกับเหตุปัจจัยในสิ่งนั้นๆไว้ไหนเลยผลคือความดีงามความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นแก่เราได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย ผู้ปรารถนาความสุขความเจริญความสงบเย็นในด้านจิตใจจงพากันเสริมสร้างมงคลที่ประเสริฐให้กับตนเองและละวางความหลงในมงคลเทียมนั้นลงเสียตั้งตนดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเพื่อความสุขความเจริญอันแท้จริงเป็นประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในชาติหน้าจนถึงประโยชน์สูงสุดคือ รันิพานคนหรือเขาวันเวลาผ่านไปในแต่ละวันเป็นความจริงของชีวิตก็คือเราทุกคนใกล้ความตายเข้าไปทุกทีไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือใครๆก็ทยอยกันจากไป จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองบางคนอายุน้อยกว่าเราแต่ต้องตายไปก่อนก็มีหรือบางคนอายุมากกว่าเราที่ตายไปแล้วก็มากไม่แน่นอนบางคนแสวงหาเงินทองทรัพย์สมบัติมาตลอดชีวิตมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เมื่อถึงเวลาตายทรัพย์สมบัตินั้นก็ทิ้งไว้บนโลกนี้เองเป็นแค่สมบัติ พลัดกันชมเพียงชั่วคราวเมื่อจัดงานศพเผาเสร็จเหลือแต่กระดูกนิดเดียวเท่านั้นเองชีวิตของคนก็ต้องดิ้นรนต่อสู้สแสวงหากันแทบเป็นแทบตายเมื่อตายไปแล้วอีกไม่นานสักสิบปีห้าสิบปีร้อยปีถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเขาก็ลืมไม่มีใครสนใจอะไรยิ่งเวลาผ่านไปนานเข้ากระดูกเราที่ล้านเลนหรือคนรุ่นหลังเก็บไว เขาก็จะรังเกียจไม่เอาไปทิ้งน้ำก็คงเอาไปไว้ที่วัดการสารสาระของการเกิดมาอยู่ตรงไหนคนทั่วไปน้อยคนที่จะคิดและสนใจในจุดนี้เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้จะอยู่ด้วยความหลงหลงอะไรก็หลงในสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นหลงสแสวงหาให้ได้มาตามความอยากหลงอยู่กับการทามาหากินหลงในทรัพย์สมบัติ หลงในลูกหลานหลงในสิ่งผูกพันต่างๆหลงเพลิดเพลินอยู่กับในการกินกามเกียรติและมีน้อยคนนักที่คิดได้ว่าความหลงต่างๆนั้นมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นได้มาเสียไปพบเพื่อจากไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าคือผู้นำทางจิต วิญญาณที่ออกสแสวงหาหนทางในการดำเนินเพื่อให้ออกจากความหลงและพบกับความสุขอย่างแท้จริงท่านต้องต่อสู้อดทนได้ความยากลำบากจึงสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยพระมหากรุณาท่านจึงนำความจริงที่ท่านได้ค้นพบและรู้ถึงหนทางที่ควรดำเนินให้พ้นทุกข์แล้วนำมาสั่งสอนประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประพฤติและปฏิบัติให้ถูกทางแต่ผู้ที่สนใจในการดำเนินหนทางไปสู่ความพ้นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงชี้นำไว้นั้นมีน้อยมากท่านเปรียบเอาไว้ว่าผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตของตนให้สะอาดและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนั้นมีน้อยเหมือนเขาวัวเพราะวัวตัวหนึ่งมีเขาสอง เขาเท่านั้นเองแต่ผู้ที่ไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมและพาตนเองวนเวียนอยู่ในหนทางแห่งความหลงและต้องพบกับความทุกข์นานาประการนับพบนับชาตไม่ทั่วทนั้นมีมากเหมือนขนวัวเพราะในตัววัวนั้นมันมีขนมากมายนับไม่หวัดไม่ไหวอั ป, ปมาทารตาโหถะท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท